พระพุทธเจ้าเป็นสันตยภาพพอแค่พระพุทธเจ้าจะไม่ขี้ล่าลานตัวองค์กรตามเพราะว่าสร้างซ้อนอันเดียวกันเมื่อยืนยัดยืนยันอันเดียวกันทําเป็นโร ก, กระบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเหมนกันครอบละาตาบากครอบกว่าตาบากจึงอาจจะคุ้มคร อ, องโรคได้พระพุทธเจ้าปกคล้ อ, องโลกได้ ปาถนาที่สางเป็นพระพุทธเจ้าก็มีความประสงค์อยู่สามอยา่างพุทธตาจริยารย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าญาติตาจริยาเพื่อสงเคราะห์ญาติโลตาจริยาเพื่อสงเคราะห์โลกคําสอนอันไหนก็สร้างเถอะนันเป็นเรื่องเกิดขัสอนพระพุทธเจ้ามัด ชขมทิที่ไม่กี่ลาลานก็เสียไปทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นมังคุนคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นเลยไม่พูดอีกก็จึงอีกเนียไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้เลยไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่ออะไรไม่เชื่อเถมได้ทางหรือนาหัวน้องก็อเบื่อบ่าแล้วลงสู่มหาสททะเลดยไ่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ได้โลกคําสอนพระพุทธเจ้าโดยไ่รู้ตัวชั้นนั่น ก็ พ, พูดเอกจีเอกขึ้นยกับกพุลแล้วบวชลงวขึ้นว่าข้พุเสือแล้วบวเสือมีปัญหาตอดสคำว่าว่ามีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาใดบก็มีคำถามต่อไปอีกว่ามีผู้บวช น, นำไล่ขึ้นฟ่าไดพอใคมีผู้บวชนำไลขึ้นฟ่าได้ก็มีมผู้ทำลายพระ <c oughs> พุทธศาสนาใดพระพุทธศาสนาเบื้องต้นมันเป็นวัดป่าได้ เวฬุวันสวนอนันไพ่ก็เป็นวัดปลากูดาข้านปลามหาวันก็นเป็นวัดปลานี่คัวท่าเร้าก็เป็นวัดปลาเจ็ดตะวันมหาวิหารอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเฉียงใต้ไกลจากบ้านไกลจากเมืองสาวัดถีหาดลอยคลาตนุ คาทานุหนึ่งสี่อาว่าคาทโนุกอต่าบุญิชิพาเซ่นมีอันานาท้าพิทีเกษตรทีเนี่ยสางถวายมัดชีชาโกดชิบรานนั้นเป็นโกดโกดก็เป็นเงินโกดอีกทีเามันกระดาษเครื่อโม่เฮานี่ชี้ชิพาโกดมันเป็นเงินจิบล้านชว่าชิบชี้ชี้ชี้พิธีชิา ชื่อร้อยหาชิบานกระเป๋าเดียวเนี่เนี่ยเข้าทิว่าครังพุทธการเน่ยดอยทั้งพัฒนาบแ ม, มงนพัฒนาทาั้งวัทุนยมและอดมกติด้วยที่นี่นั่งวิสาขานะสางทิตตวตกเชียงเหนือของเมืองราวถีชุบเก่าโกร เือเก่าโ ก, โกเหมือนกันจกักรานั่งทีาขาเป็นพระสสดาบาลมาตั้งแต่อายุยี่สิปีเสเก่าโกดธเสื้อเก่าเก่าเสื้อเสื้องมันเสื้าเส้่าอยเก่าราห้ิดูถูกว่าข้างของพุทธกาลนั่นดอยพัฒนาบอมนพัฒนาอุดมคติอุดมคติแล้ว ม, มันดึง วัตถุนิยมไปด้วยปฐมอาการพระราชีสาที่เสดสิสามอนุญาตสองพระเจตีสามสี่พระเจดีร้อสองป็นเทียสเซกนวัตเจ็ดสิบห้ายังไม่มีเหตุชไหนจึงสําเร็จพระรหัสเลีเ่ยวแทะพวกเอฮีพิคูพระสมปรธาพิคสองเมืองไปบินทบาทกรุงราชคือ ไอพิกุปัสสะพัธาทั้งนั้นเถิดอริยสัจสีพระสงุ์ท่านในหลดมัตถ้านคถาชีแล้วคาถาอสังฆาัคคตาะ่านคาถาสีแล้วคาถาเทิดอริยสัจสีเถิดเนคเข้ามาออกจากตามออกจากบวชข้ามซ้อนอุทตเจ้าเป็นคําส้อนอันเก่าเอสัตโมุตตนันตโน ทำเป็นของเก่าชิ้นหกักของเก่าสมัยนี้เศร้าโลกพวกข้องกันบ่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันไปตลอดพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาสอนโลกเนี้ยโล ก, ก็ขมรทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกพุทธทาจริยาส่งเพื่อสามอารเมีย เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าญาติถ้าเริญเพื่อสองฆ์ยากโลกถ้าเจริยญเพื่อสองฆ์โลกพราะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มีเจตนาจานำมูหอหอมมาปกข้องกันเอาโ ม, มากเป็นประมาณขังว่าพุทธเจ้าว่าจะเอาโ ม, มากเป็นประมาณนี่เย้พุทธญาติการตาตาจิตเอาตามค่าวของคนมากเป็นประมาณบางกันแล้วนี่คนมากเหล่านั่นเธอ รเรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามความประพฤติไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงอันมูเ้าเนี่ยท่านไม่ออกให้ค่าค่ า, าเอาตังให้แม่หาอ <c oughs> มันเกิดแต่ของเกนเนายแม่ห่อมันขึ้นเนี่ยมาเพื่นึงไม่หาเสียงหยไ่ไว่า่น อมากขอบุญขอคุนนำ้ำมาสั่นมาจากใค้หาเสียงดอกกับปัวดอกเจังว่ามูโ่โตนะการประชาส้านเขาเลือกใครเนี่ยไปยังจะไปหากินน้าผู้คนรวยแล้วมันไปทิ่มเขาพวกไคพวกน้ามาสั่นละวานมูโ่โตไปเลืยกเคียงได้กขาพวกคนมีบุญมาสั่นไปทิ่มพวกประซ่าส้นมัดมาสั่นตั้งก้นไม้เขาขังตัว่าสั่นวาน ผู้แทนเชืหนึ่งว่าจากสะ ก, กลมายามเขาวาให้คือกันลูกปู่เป็นคนน่าสมัยพราะลกูลกเป็นผู้ที่ทันสมัยลูกปู่จะขอถามพูดถึงการพูดมาให้ถือกันให้ถือว่าเป็นคนกันเองพูดแบบลกูลกลูกหลานเนะพราะพระลกูลกเป็นพูดแต่งกฎหมายนวล ทำไมพวกลูกๆจึงไม่เอาไว้สักข้อบ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยมาแต่ดึกดำบรรพทำไมพวกลูกๆจึงไม่เอาไหว้กำลังหาเสียงอยู่ครับจะหาเสียงทำไหม่พระตไตรปิฎกเสียผ้าเริ่มก็มีร้อยเร่มก็มีของพุ่ยแสงสาย นั่นไม่ใช่เสียงหลักหรือพระพุทธวาพระพุทธรจ้าฟังอยู่ที่ดินลึกหนึ่งเม็ดก็มีพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดอันนั้นไม่ใช่เสียงหลอกหรือแต่กลับจะกันก็อาศงไข่กับอาศงไข่กันแต่ละกับละกับมีพระพุทธเจ้าสี่ห้าพระองค์ด้วยสามพระองค์ด้วยอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือพระพุทธารเราเป็นมแมลงผึ้ง จะปะหาเสียงกำแงบแแดงวันมันจะให้เราไหมเร า, าเก่าหัวหันลูกปู่ชอบแฝกมาพูดเนี่ยพวกลูกๆจะเบียดเบือนพระพุทธศาสนาในอนาคตจะไหมเราที่พวกลูกๆ ไปตั้งข้หมายว่ามาแห้พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผี ต, ตัวไหนเอาว่างเสียงเอ้าหน้าที่ของคารวะทํากับพระทํำยังไงหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาช่องโดยวิธีกรรมคือพูดอะไรอประกอบด้วยเมตตาทำโด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาฉีเรื่องความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยอาเมตทาน หน้าที่ของพระมาสั่งโอ้หน้าที่ของฆราวาสอ่าหน้าที่ของพระของเน่นนะเนีหนึ่งให้มันกระทำคนชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาสิทธิปัญญาเออเออสามอนุเคราะห์ด้วยนน้ําใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหําทำสิ่งที่ฟังได้ให้แจ่มหกบอกทางสวอนให้นั่นนั่นน่นนั่นนั่นอ่ ถ้าไม่พระเป็นการบ้านการเมืองเกรงพระจะเห็นคิดเท่อของตนะอาวางอยู่พระไม่สอนตอนชนเมืองจะไปสอนพี ต, ตัวไหนพระพุทธศาสนาสอนโลกโดยโจ่งแจ้งเอาวางอยู่ลำเอียงพราความรักใค ร, กร่กันเรียกชั้นทาคติลำเอียงพวกความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำเอียงพวกความเขาเรียกโมหาคติลำเอียงเพรากลัวเรียกพยาคติไอทท้คติสี่ประการนี่ไม่ควรมพืช เราพยายามประกวดรักใครกันเรียกสั้นธากติคือยังไงมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็าตามปกป้องมันไว้รักมันด้วยโทสาคติคือยังไงมันจะดีสักเพียงไหนก็ตามพูดกดให้มันเป็นคนเร็วโมหะคติคือยังไงคือครบเรื่องนั้นไม่แตกก็เรียกว่าโมหะคติพยาคติคืออะไรมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็าตามมันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เกรงมันจะมาฆ่าทางมืด ที่นี่น่ามาในทางพระพุทธศาสนารักลัทธิอื่นแน่ากำลังเกียดพระพุทธศาสนาเรียกว่าชันทาสกติกำลังเกียดพระพุทธศาสนาเนี่ยโทสาคติพระพุทธศาสนาจะดีสักเพียงใดก็ตามไม่คะแนนเลยก็เรียกว่าโทสากติแล้วอย่างพวกเขาเรียกโมหาคติเคยยยังไงโคตรพระพุทธศาสนาไม่แตกเรียกโมหากติ แล้วเอียงพรอกลัวเรียพยาคติคื อ, อยังไงถ้าเราจะถือพระพุทธศาสนาก็เกรงจะผิดศาสนาอื่นเรียกว่าโมหะกตเรียกว่าพยาคติเราฆ่าเขาก็ะไรไปบ่างได้ขั้เป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกมาทุยกยุคสมัยเลยจึงส่งพระนามาโลกก็ไปทูอานุตตรโรภริสาธรรมสารถิสัจจาเทวมนุษา์นั่งเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายน่นเอา้า ถ้าเป็นโรค ก, กระบาดคุ้มคล้องโรคสองาาอายาควบละไอต่อบาปควบกวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มคมลองโรคได้คันโรคว่ามีควบละไอาต่อบาปไม่็มาา่ควบกวต่อบาปเก้อนไม้จะตั้งเวลาลานมันก็ะเยั่งมันกรตั้งอยู่อะไรเออกรรมและผลของกรรมมันมีเนี่ยกรรมและผลของกรรมมันมีเข้ากับพรเชื้อพระพุทธศา ส, สนาคนะือรเข้าไปยิงนกมังกระตามื่อเร้วเนี่ยนี่อัญชุพาปีไปยิงนกเขา ในตัวหนึ่งสั้นสีตายดอกไปเอาไปอวดเขายิ่งรวยผุไปอวดเขาโอ้ยนกตาบอดว่าฉันเครียดว่าฉันตัวาตาบอดยังไงนี่ตาไม่ดีดีว่าฉันยิ่ว่ายิงว่าเนี่ยสองพันห้าร้อยสามสิบหัวใจตีบเกิดนี่เกือบไปโรงพยาบาลมาท่า น, นเห็อันนี้ว่าเห็นกับศาสตร์ด้วยเม่ต้องว่าศาสตรก่อนเนาะ อันนี้ไปเด็กเล็กไปเด็กน้อยแต่งงวนแต่งข้วทรัพบ์กินแต่ทรัพย์กบน้แรงมากปิ่งกบแล้วกัเป็นตับยันกรมูไพเสร์ฟท่านอ่ะมันมาวิกยนเน่ตกกบน้ำแรงอันนี้บานนี้ทุงนําดีเป็นนิวไปเอ็กซเรย์ออกป่งปมีร้ายอันนี้ก็ะพูกแอกบไปเนี่เนี่ยปัจจาว่าอยากออก ค่อยควยตัวนึงข้อยบักท่องดำบักย่มจะไปบักย่มจะไปไทยหน้ามันยอมขาดย่อมไถมันไอ้เห็ดขยะขยะมันไอ้วาที ข, ขี่สี่เงียวมันทำเนพกขี่วกเงี่ยวเนี่ยพิ่ยิ่งไปถอยแกวถอยอันไปมึงปเทศยังไงอยู่น้องไงไว้่านหน้ามาท่านพ่อดำมาท่านโรก มันอะทับชาขี่ยังไงนะพระขี่กูเ็ยอยูอ่ในฝามันนงสี่แล้ววาทาบไปฮะเนี่ยทับไปพว ก, มววกมไม่จริงเข้าเพระก็มาขึ้นได้มันมันงอแอกกอมไทอพอเห็นแอ๋แข็ไทมวันนั้นเขี่ที่เงียวมาบ้างทับมันไปละบ้านเนี่ยไม่ขี่ปัดปัดแปด๊แป ด, ปดไปนะาเจสะเงี้ยวมจอกจอกจอก่ย อ, อยู่มาอยู่มาเลย ท้ายก็บอกออกมาไงได้สัญได้สัญญาโย่สี่หมื่น้าหมื่นสัญญาปัจจุบันเขาไปจะออกนั่นเวนั่งท่านได้ก็บอกน้ากลเห็นไหมถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราเข้าไปเชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมไม่เฮ็ดอันใดได้ยังสั่นแส่หลุกละเนื้อนี่นี่นี่นี่นี่นี่มือมือนี่นี่กรอบขีด กอบขีล้งปูหมัน่นกอบอุจจาระรงปูหมั่นอยู่สามปีนี่กอบใสเใพันธายผิษไายพิดทุกกติกอบใส่พนัการมหาบัวบอกว่าคูว่าอาการฉันนี่เดี๋ยวไปเอาจอบเอาเชืเอ้อแล้ว เ, เมื่อยเนะตัดเด็เมื่อดีๆสำหระกบอบกอบแทผงกี้ผงกี้<ม>เห็นเห็นกับสารเลอันน้ดีก็เห็นกับสารแบบฮ<ม>องไทยหนึ่งสองสามกับตัวทดเนี่ย สี่หางก้เพื่อเดี่ยวทายบ่ออกไงทายบ่ออกสองพันห้าร้อยสิบพระเพิ่ตัดเดีดี๋ยวแค่เขแงเข้าไปแงไปถ้าว่านนักก็กรอกออกมากรอออกมากอกออกมาเขาก็คือเห็นกรอบอุจจาระลูกภูมันนันเนียดีเคเห็นกับศาตด้ยนี่โซ่เคยเห็นกับศาสตรทสางไปเขาเกิดบางยังมันทุกข์ก็รองเสีย ใส่กั๊ม่าไปเอาว่นนอเมียนวะเกิดว่าใส่กั๊มขันวัมีรมพระ น, นิพานขันคนไปพระนิพานวะได้ต้องเกิดว่าอยู่ในโลกนี่แงกันด้นี่อโขอละสมยัยเฮาเป็นเล็กหน่อยอยู่แล้วขันชิร่อยหกชิผาเขาลงเรียนอยู่ออกลงเลียนหมใหม่ พรพันที่เราขอขิตพาคนลเมืองมี1ิบสี่ล้านเศษนั่นก็คนลเ ม, อ ม, ลอนนลเมืองมีกี่คนคนลเมืองประเทศไทยมีกี่คน1ิบสีล้านเศษรครับจักว้าเศษเท่าไหน14ิบสีล้านเศษเพื่นดินต้นไม้พักพัก ง, ง่าโอยสระพันหารอยเข้ามาเลย ว่ายืานอพันหาร้อยเ น, นี่ยบ้านโคกเนี่ยต้นตึงต้นรัง่งใช้มันกระทุนเกียนเนี่ยเ็นตับเป็นตับเป็นตับอยู่เดี๋ยวนี่จะไปใช้บัดเาเป็นเล็กน้อยเท่กันคาว่าโคกก็สุดสายหูสายตายางสองมื่ามหมื่นกับว่าขม่มสรางรถว่มีมีแต่ยางตะกีย เมื่อเมื่อโอดรนชาวพันธ์ชลอยอหอกชามีรถย้นขั้นหนึ่งนี่วมวนหัวนะนม้วนหัวรถซีสูบผู้เขามูวนหัวเขากางขาออกไ็เสนอเนี่ ย, นะออกกออยพ่อจ่องจอง้จองนี่หละแฮ่เบิ้งมาเห็นเป็นเร น, น่อยเรียนจะจะพันธ์ออกหลงเรีย น, น, อ, อ, ยนออกแล้วบ่าจะไปแห่เรา ชิบซีปีบออนุชิบซีบอรถมาคู่นี้อันเรจะไปกินจะไปไกลล้วผีที่กินตายได้ปะน่ะมามั น, <c oughs> มมนึงไม่ผี <c oughs> อันนี้แพ่นดินเนี่ยกันย่หงายอาโคพอเฮาไม่น้าหลายธงเขาขอหายธงหนึ่ ง, งนี่พอลุงจานเนาะหน้าเจ้าลายบอน ใม่ไขายักบอลเดีลูกไข่หลายคนลูกเจ้าก็มีเจ็ดแปดคนหนึ่งลูกข่มีตั้งสิบเอ็ดคนมาพอเลี้ให้เขาซึ่งหนึ่งอันพ่อให้เขาเสมอนเขาขายตั้ง ห, าห้าแสนหกแสนคนตั้งล้านคนเขาขายอันทวงให้เขาเออซื้อไม่ตัวหนึ่งเขาก็ว่าได้ซับออกมันเป็นหน้าแล้ว ถวายพวกกรมประไม่ไหวพวกกรมที่ดินโอ้ยาั่นวัดก็ะะหัยั่งอยู่คือเก่ามันก่าบ่าได้แล้วลูกหลานเลยไปสัน่นสมัยคนสิบสี่ล้านเศษก็คนหกสิบล้านมั่นให้ต้นไม้พักงาที่ดินคือเก่ายมมันก่าบ่อืดแล้ว่าวสั่นนวานปุ๊กเพื่อนกับปุ๊กใส้าอากาศวเปิ้นมาสัน่น พวกดำหน้าก็ดำเสีอากาศาเป็นพวกปลูกพืชก็ปลูกเสีอากาศาเปลี่ยนแมันก็ะพรนนะให้เป็นเบ า, บารรรรอะท่านแม่งกรจชาสทรายตาเดียวมองๆหงองกับประเทศไต้หวันท่านเะาว่าไอ้กฎหมายยังคือเก่ามาคือแล้วต้นไม้พักงากรบเพาั่งแล้วว่าท่นปู๋สุุยเอาได้แม่งสุยเอาแดว่าท่นก็เป็นจริงที่ดินก็ดีต้นไม้ก็ดีมันบระด้๋ยมัดนําพูทุส้นวันไหนหร้มันหมดน้ำไหลทุนได้ว่าท่นเอาว่า หงเงิดหังอกว่านตั้งแต่โม่โตประตูพระรักไม่ใั่พระรักไมมันที่เอาทัดหูวไปบอกอาถรรว่ารถเสีบหล่อมันอย่ใส่อาถนเพ์ว่าตำรวจทหารโยนนำทังไปตายใส่อาถนรว่ามันบอกว่พระรักไม่ไหนมันพวกเจ้าหน้ายกหน่ายทุ่นในรักข้าว่างขี้อกอยู่เนี่ยบูหรอกว่าั่านขาว่า ยกวัเ่ยพระมันจเอาทัดหูไปได้บอกว่ารถซีปรอมันูะใสวะมันจะหัอไปได้บอกว่าสันนาวามักยาวไปน้าตังตัวว่าบนในกระทาตำรวจทหารตังยู่มมือมันจะไปยังไหนาสั่นกรวจกับนายทุนวัวรักไปชิมรักสันาวังคือรถขาห่อเก่าหัวอยู่เนี่ยเทา้ว่าันว ว่ายามย่ายอะระคอเธอเป็นรูกคนกันเองมาสนาว่าเน่ยว่าแต่เธอเป็นเป็นผู้อื่นด้วยสิหลวงปู่ก็บอกไปตามภาษาพี่บาสี่ได้บ่แมนเกิดจเสือออกเข้ามได้รักเนี่ยวะเยี่นี่มไดนรักมันไม่จะขนขึ้นมาผีวามันบาพ่อใส่วะมันเดี๋ยวล่งรุ่มมันเดี๋ยวล่งหนีเนยอยูู่้นี่วราล้วนี้คัลูกหลานใหญ่ ลูกเต่าโมสูใหญ่เข้ามาสูพูดเป็นแบบลู ก, ล, ก ล, ลูกหลานลูกมู้โตเนี่ยแต่ละขั้ครัวเนี่ยพระธรรมก็สี่หาข้นได้อา่าหรือจีบขนหาขนพระธรรมละอ้ามันออกว่ากินเทาจะไปกินไส่เนี่ยวนอยูนีขคนเลือประเทศเดียดนี่ประเทศไดนก็นเลือประเทศปั๊ดอร่อยตัวคางๆไม่เมมากนะ นคนรู้ไงเขาถามมันแต่เกิ่วใช่ไหมใช่แต่เกิว่วแทนก็นาลดมีแต่เก๊กเอารอดให้อันก้นทางานี่มีแ <c oughs> น่นะเรื่องน้อยไปประเทศเ ก, กย์นี่เรื่องน้อยก็ไปประเทศที่ปุ่นคนมันไปนยังจังแพร่ะมันมาเข่าซูพนัพนธ์ผ้ามันก็เพเลแล้วมันมาเกิดด้วยถึในโลกนี่ว่าเข่าซูพนันธ์ผานวนเวียนกันอยู่นี่เ อ, อ่อกลีย์หลายแฮมเพลร้ลายคน จินเห็นร้ายก็แพ้หลายเลย mm. อ่ะมันก็ม่มีส้นหานี่นมันไม่มีส้นหานะบอแพ้ห้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าเ่ยทําก้นเนี่ย เ, เป็นหมันเนี่ยถอกแม่ขาวแม่ชี้ถอกพระอแต่นี้มาบวชซะผู้สดดวงละเมิดท่างกามารดุลกับหมอมีส่วนหน่อยหรอ มันมพาทั้งหลายก็ไปไม่มีอยากมัดทุกคนหอกคันว่าตูไปเบิ้ตัวถิ่นตัวเดนมันก็ม่มีแน่ว่าหาความสุขความมนโรกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พไม่เห็นเลยคำสอนใดๆกัสูคำสอนพระเจ้าอเราบางใแต่เรถึงไม่ฟูเห็ดตามบ่ท่านน่ะไม่ที่ปกครองโลกพระพุทธเจา้าสอนมูเา หม่ยเมดกงกันเมดิดพระพุทธเจ้ามา ก, กี้ล้านๆพระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันมาสอนวิธีปกครองลกูกไม่ได้สอนหลายขอ้อเลยสอนที่แหกสอนทำให้โกกรกบาลคุ้มครองโรกสองอยางที่นี่เป็นคํามบาลีความละอายต่อบาปอตตปะความจะรุ่งกลัวต่อบาป โอต ป, ปะเป็นคัม้าซาบารีนี่โอตปะชั่มปัญญาสุ ก, กามาสมาญาตาท่า น, นตัวศัพทิซาโรกีเนวะธรรมะริวจัยธรรมอันเนีเป็นธรรมพกข้องโลกขันมีหัวใจอย่ในหัวใจมนุษย์โลกเขาแล้วเมื่อได้พกข้องงามันตรนี้โยนัยหัวใจเศ้าโลกเข้านี่ตีมันพกข้องงาเ ขนาดว่าบะมี่สองขอนี่มันผลล่ามไปผลอีกได้ค่ะเนี่สินหากระัลล่ามไปลวงระหมดสินหาในว่านี้ข้ามีสองขอนี่แหละกับว่าล่ามไปลวงระหมดสินหาละอันพาะห้ามระเดสินสองรอยยี่ิบเกียหนึ่งมันก็เป็นพระสวัสดิบาลมรดทันตัวพระจัวหรือเป็นพระทหารมรดกทันตัวมันบ่พ่อสองร้อยยี่สิบเกียดแต่ได้มี่ซื้อวันหนนเน่ยผูคนกัยุ่งกัดกัตัวปัวปัวโยก็มี เม่นค่อนเปลี่ยนเอาแต่ว่ากาคให้เห็นดอกในสำนักนีบ่บขเห็นดอกสำนั ก, กอื่นสีมีขบราชหรือสี่มีบขบราชนะ้ะเขาไม่ได้เป็นนํากลนเขาอยู่สวยงามเอออ่ากันชาวโลกไม่ใช่นาบอดีบุญตำรวจทหารกับพระทองมีแล้เอาะอ่ากันชาวโลกไม่ใช่นาบอดีบุ์ ตำรวจทหารกับปตรองไม้แล้ววะโซกับป้าตรองไม้เลื่อนจํากับป้าตรองม้คดีดําคดีแดงในโรุงในศาลกับปไม่ขายของกับป้าตรองเฝ้าเลื่อนจํากับป้าตรองไม่สองข้ามกับป้าตรองไม่เอ็มท่านเอ็มเท่านี้กับป้าตรองไม่ปืนกับป้าตรองไม่อาวุธยุทธภัณฑ์กับป้าตรองไม่ เครื่องขาเครื่องแกงซัดน้ำซัดบลกกรบโบมี่มีแต่เครื่อ ง, งกอ่อสร้างนอนก็ว่าสะดุ้งผวาเพราะโบมี่แม่งอยู่รอบขานี่ขอบเขตดัดมนุษย์เท่าจะข า, ก, ากันตายกระโบมี่นอกจากรถเสียบตายเวลามันเผอหรือบางที่มันตกเหิวหรือบางที่มันส้นกันเท่านั้นตายกตยกิตายยอนโรคไม่ได้ตายยอดขากันเนะวะ คือยุ่งข้าวคามันว่าแหยมันทิ้งไ้สถาบัศาสตร์มันเองฟาดตายเลยฟาดเกิดมากระเทาะอีกหลายของเก่าเป็นเม็นไพ่กับเทามึงแต่น้ามันก็ว่าจะไปตบมันรักเกลี้รักฝลวิ่งไทยวิ่งจีนวิ่งย้วนวิ่งเหล้าหรือกดขี้กันโชครักทรัพย์รักเปียน ลักทรัพย์ลักเปลี่ยนตีชิงวิ่งราวก็ฉีกันโชกปร้นสดมก็ไม่มีกาเมียสมิทฉาจาหัวหัวใครเมียใครลูกใครหลานใครเลียใครก็อยู่สงบไม่ได้ร่วงละเมิดกันเนภไยส่วนนี่ก็ไม่มีมุสาพูดพดหอกลวงต้มตุนผู้พู ด, พด ก็ไม่เสียเวลาผู้ฟังก็ไม่เสียเวลาเพราะไม่มีคําโกหกพบรลมกันเลยเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสุรามีระยะระยะมันกระบอเมาเป็นระยะมู้โต ว, ว่บกินเป็นกินเป็นระยะบกพิลังมันนะมู้โตว่ะมันกระเมาเป็นระยะอนี่โทษสุราหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาท สาเกิดโลกสีต้องตีตียนหไม่รู้จักอายหกทอนกำลังปัญญาไม่น้ำซ้ำผู้ในไปกินเมาแล้วก็ต้องเป็นบ้าหมดสามารถร่วมสินหาอะทุกข้อโม่งกันมาแล้วกัคากันแล้วเตะกันแล้วอวดอยู่ย่องค้องกัะพันกันแล้วเขาเฮ็ดอวไรเฮ็ดยังเขาเฮ็ดไหนคนบ้ากินใครไปกินก็นต้องเป็นบ้าหมดนะ่ะหน้าบ้า พูเขาวาเป็นบ้าเขาก็กินแต่ไม่น้อยคนที่สุดละว่กินหลวงปูก็บเส้าแต่อายุญญสามสิบนเส้าแต่อายุมาบวชคนหลวงปูบวชข้าวก้อนซีพันศาบวชข้าวเป็นผู้บบาบวชข้าวนี่นั2018้นสองพันที่น่อยแที่กคนขันเส้าโลกไม่เส้นหาบริบูรณ์เนี่ยโลกเอดกับบมี่แม่ยนบ่ มันมีขอบเขตเนี่ยไปชักเพื่ออะไรไปอะไรไปชักลูกไปตาลูกไปมันมีระเบียบเรียบรอย้อยแมีนมอโลรลาเมิดกันในมดเราจะรับตาแมียนมอเรียบร้อยแล้วแมียนมอเพราะมันมันบมีกาเมียดสเวจจานเนี่ยโรคเอสดเพรามันเขามาเป็นจำนวนลายมือนคนแในประเทศเท่านี้ งูตัวอะไรางมันดีเลยมันบริเขาเนํายมัจะทางอื่นเเขาวาสีดยา ก, กับเขานําเข็มก็ไดเขาําเม็ดโกนโกนผมก็ไดเขาวาเขาําแผลมาหายว่าถจะเขาแมทังกลบ ม, มารบเลยอันนี้นสาคัญมากเราไม่ยาซ้ำเขาแพ้แล้วก็ลดใบตายลด ต่ว่าเขามันกระโจดไปตายเยอะแ้วคนตายแคนข้อเฮเออไพ่เป็นผูหาความสุขในโลกเพราเห็นพระอรหันหา้าเพราเห็นให้ขามทะเลหลงของตนไปซักไอ้วสุวสุวสุวสุวสุวสั น, นล่าออกจากสังคมโลกเข้าสู่อันนี้านโลกกดหลงเพราะมีอะไร ให้ข่าสูซ่นธุ์พานถ้าตายเดี๋ยวความสุขนั่นหรกอพเห็นพราพรที่เจ้าเทศคําเดียวถือเมื่อตโลกราตาชาติพิทุกขาไว้ท่านชาติพิทุกขาชาติแปลว่าเกิดปิแปลว่าแม่อทุกขาอันนี้ก็เป็นทุกข์นะคาว่าปิใส่ไม่โท่เลยแม่อันนี้ก็เป็นทุก ข, ขอ์อย ชาติปีตุกขาข้ามเดียวท่านถือวัดโลกใครจะฟังมาฟังอะไ้ยิ่ง น, นกนกุกูปีกมุ่ยเป็นทุกข์วัดเกิดมาล่ะว่าาจะหันใจเป็นเป็นทุกข์อดพวมาโลกเกิดเป็นอินเป็นพุมเป็นพระยมพการจ้ตัวลวง ก, กบาลทั้งสี่ว่าเป็นทุกข์หรอกท่านพระพุทธเจ้าวาวตีล้วนเสมอการมัด ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเลยคนำะว่าทุกเกิดคำว่าเกิดว่าเป็นทุกข์ออกว่าพักกันไหายให้ยัง้งกันเพราะออกจากท่องแม่ว่าน่ะขาดออกว่านะหายตะกาตะการตะการเลยมันจะมามันถึงมันถึมารอยทะเลทุกข์มันมาตั้งนโมมันมันขึ้นเริ่มทถมาศ มันสินงใดม่มันสิ่ดเมื่านจะได้ทุกข์มันหายห็นตัวมันดันออกมาถึงได้ทองมันกับทุกพ์วาแห้งแล้เพราะเพราะพานดึงสร้างออกมาปองสุกแคบมานต่เป่ดมาหลวจพ่อทิชชอวาคนาังนังยองๆเอามือขำข้างใส่สันหลังเมย์เวดงามสิออกมากล่มกามัจฉาบาทกระพัดหัวซักต้องทั้ง ขางลุ่มุณปานโต๊ะเหวมาทั้งมันออกมากับปานดึงสร้างออกว้องแคบแคบมาทั้งมาถึกแป้นเถิดศาสตร์พระบานถือแบบต้มแหน่หมาไม้ขั้นค่ายแฉบเจ็บต้นเก็บโตเขให้ท่านแล้วออืมูฮัฟว่าให้ธรรมดาเว้ยมันห้ธรรมดาเนี่มันเสือกตายออกมามันหลอดตายออกมามันก็หายอย่าตัว นั่นออกมาละยิ้มไม่ยากนกนหมนั่นวันี้ขหน้อยไม่ใช่เขาเถียงพ่อเจ้าได้บอกขหน่อยออกมาอะไรยิ้มไม่ะช่เถียงอะไบนั่นว่าเป็นทุกรอกว่ใช่เถียงอะไรอันนี้ในท้องแม่อาเมื่อคับข้างนั่งยองๆเลย น, นั่งยองๆเหมือนลิงหนีฝนคันแม่ นอนไงอยะสิกูยกษนังเมเนี่ยเพิ่จะมาแม่้านยักษชัวไ่นอนไงมากเพราะสมันลูกวัดเสือขึ้นทึ่งพุ่นลูกวาดข้านกันทึ่งหัวใจมันตายเพิ่จะมาไห่นอนไงโดนคันแม่นอนแข้งลูกก็นั่งยองๆแข้งอยู่พี่กันไม่เห็นคันแม่ก้มลงลอลูกกะ หลังคดหมุดกูตูอยู่พู้นังค้นท้องใหญ่มากไปขีไปเงีย้ยวไปไปขีนี่ได้ข้านค่อยขีย่แล้่นยิ่น้แม่ขาน้องสาวเม่วมางั่งลักสียโต้แล้ว่ามวนมันผู้ใหญ่แ่นปวดท้องทายได้ข้านทายเลย่านนัน่ง่าไดยมันหงอย่านเป็นทุกข์ เหนั้นท่านคุ้นพ่อคุณนแม่มันจังมีร้ายนะพวกนีน้ประมาท ค, ค, คุณนพ่อคุณนแม่พวกนั้นวจเริญนเกิดมาพบได้ศาตร์ได้กับว่าได้ทิมพ่อทิมแม่จักเทือก่ระั่านพระพุทธเจ้าศาตร์เป็นสัตว์ที่ฉานกับว่าถิมศาตร์เป็นนกแขกกับว่าที่ทิมเดิไปหาเขาเศ้าหน้าิี่วงร้นมากพอ่อแม่กินยู่ว่าศาสตร์เป็นลิ่งกับว่าที่ทิม หาผลไม้ไม้พอหอแม่กินซาดเป็นคว้เขาบวชทิพย์กินไปไปเห็นหนาปรลดี๋ามกินวนกินเวียนอยู่พอแม่มาใกละกะ้แล้วกันแหน่นั้นานกินแล้วก็ไปกินเบอรอื่ น, นวุ่นวาวไปซาดเป็นคนโมมี่โมนอะดกยังไม่จะวิสาห่าฟื้นขายอะไ่เขาบวชทิพพ่อถึงแม่ ไปหาเพื่อนขายมาแต่ละเมืองถึแบ่งไว้สี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปฝากขัง้งคือเอาไปกินไปท่านส่วนหนึ่งเอาไปใช้ทะเลหลวงเอาไปชิมแช่ปากมันบอเต็มมาท่นเต็มว่ปเป็นส่วนนึงเอาไปใส่หนี้เอาไปให้ปอยเม่มาท่านส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเฮา เอาไแหงเมียสครับผมไ่ได้แต่มันเทากรอกก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทิมพ่อทิมแม่ชักเสือมือเท้าเนี่ยกัดพ่อกัดแม่บุมีอียงเน่ยเ้็ดพอตรงกระซ่าเม่นหรอพอได้ทิมพ่อทิมแม่แล้วพระเจริญแล้วสิครไผกับมะเกงวันพระเจ้าดอกถ้าเจ้าประสบการณ์มาก่อนเทา ประสบการณ์เท่มน to ุษย so ์สมัติสวรสด์สมัติพ้มสมัติเนปานสมัติประสบการณ์มาเท่ามนุษย์เนปาลสวรรดิ์เนปาลพร้อมเนปานเนปาลประสบทั้งขืนทั้งรองเพิ่งมองเห็นแล้วเพิ่งจมวบวไปลวงและเมิดเพิ่งมิตาทิพก็เห่าถ้าไในมนุษย์ที่จะเจริญเพิ่งงจักถ้าหมนุษย์ที่ก้าวนาขืนซูเทวโลกพรหมโลกพเนพานเพิ่่างจักไม่ื่อไอหุจักทอกันเนะ ไม่พูดได้สายตาดีตาใสาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรอกข้าสอนในโลกเลยบททอค้าสอนในพุทธเจ้าเลยสอนโลกอ่ะัก ก, กักเรเสียมาจกสอนเจอเพีาาเยงสุสามเน้นสอนคราวาสอ่ะซักกักอาบายยมททุกประเภทมันเป็นเรื่องของขาะฆราวาสเสวียนส่วนพระมันเวรมาแล้วพระผูมงจักกี่ดรงเงก่งไปเรีนน้ำเขาอีกขื้นเขาเนะ <laughs> ม่ฮู้จักปฏิปทาเจ้ า, จาของ พระผู้เป็นของจักกว่าที่พระเจ้าจะของเราเพิ่งจะเข้าใจว่าอบอายยมุกชกพระเภทเนี่ยมันเป็นพระพูที่เจ้าหามหามคาวาสชหรบพระมันพดมาแล้วเน้นกระผมาแล้วแต่มือบวชผลอยากคิดหายพระการในเลขเอยากทุกขในเลขมรายอยากคิดหายห่ในเล่บ่อยๆเสียเทในเล่ทในหน่อยเป็นขีดคาไดขึ้นกัน นั่นไฝ่หม้บ้านในเหื่นที่ดินมันยั่งไฝ่ไม้เร็ที่ดินม่ยั่งเอ๊จะปูมก็ยังไม่หูควัดเข้า่มันจะห้กเขาปูไม่หูยัดหูหงี่นบ่ได้เห็ดใรเห้หน้าถ้าไปเวียนกันมีคำเข้าไปตลาดตะเองเช่ามาหิวฟักหิวมีไปร่าก็เดือดซื้อได้ขายซื้อขายเพื่อมากินมันยั่งอยู่อันน่้ไม่ใช่ดินในห้วยจะดอะบอกยัดเื้อเออ ขันไม่เงินฝากไ้ข้างจากาาากักราอ่านก็เมนแล้วสินตองเพียรมันนั่นฝากไปข้้งกรบมีชีดินกระโมีมไมก็ไปตลอดอะ่ะเงินเดือนกระโมี่เงินเดือนกระมีใะใ่ให้ได้หรอเ่เออถ้านหน่อยคล้อกายท่านร้ายคลให้เว้นปฏิบัติธรรมหน่อยคล้อยกายปฏิบัติธรรมร้ายคลให้เว้นให้ไดครูเขาซื้อปฏิภาณง่ า, า, ายซะสิไนนอ้นี่มาแทงค้าขายอนีอนี่พ่า น, น, พ, านพุตธนี่ผ่านธรรมนี่ผ่านสงพุทโนี่านธรรมโมนี่านทั้งขนี่ผานแ้ พุทธธรรสองเนผ่านเว้ยบิกรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อพรในพ่พา น, า น, านมนุษย์สมัตสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติมันดึงไปเองืันพระฐานาพในผ่านพานอคนท่าอปะหะาเนีอมันก็ดึงไปเองขันพุทธโทเล็กทัมโมเล็กังโ้เลกมันก็ดึงลงมืลหกคน <laughs> <laughs> ชิบหายเลยรออนมากแทนแล้วเอาอยางไมันเอาว่าพระพ่ อ, พอ พอในเร่นในผ้าเนีนั่งเจ้า ว, าอบบอว่าไม่นั่นเปตลาดจำาดเฮ้ยเออเรามาบอก้ะช่างๆมันพันหมดหลายพั ก, กันเศาหลูกหลานเลยเอออย่างแต่สินค้าจริงจังสีเศ้ามันบ่อยดีเจนว่ามีผ้าพัดผ้าทายงามที่อาบนาวเนี่ยมันขึ้นอย่างค่ํามิดผลงานใ น, า อ, านาอาบนาวทายเออ บ่มีนแนวทางเนอ่ยน่าเป็นปีเป็นเดือนมากกับบ่มีแนวทางอีกล่ะเข า, าเลยได้บ่เอาไปเราไปให้รับจา้างเขาว่าคนขี่เสียงอะไรนั่นบ่เอามากอะไั่นคนขี่เสียงคนมีเงินหลายล้านตอนนี้ก็ยังตั้งตัวบ่ได้บ่เอามากให้คนงานอะไรนั่นเขาว่าเอมันขี่เสียงอะไรนั่นทดล้วเราจะกตายเลยหรือ ย, อยังบุ๊คแต่ยินข่าวมาจะสิปีหลังผลถ้าตายแจะเทปันี พ่อแม่ห้าเลี้ยงมากเจ้าบรมษบุราร์เอาเสียมมายุ่งหมดชาวนามูห้าสสลาดลายเลยรักษาที่ดินเินกับพาย่างเออเออไปตื่นเงินลาดขายที่ดินที่ดินมันมัดนับมือมดเด้มันปร่งขึ้นมานำาคือกอกไม้อของแม่นหะนั่แต่กอกไม้ก็ยังมัดเป็นข้นแต่สมัยเขาลงเรียนเนี่ยคน ที่ดินคนละเมืองมีสิบสี่านเศษเดี๋ยวนี้หาชิล้กิบานนะที่ดินร่วงอกเกินค้คนแพรออกค้นตายเป็ น, นจริงอยู่มันทังแพรออกที่ดินพูดได้เอาไว้จะได้แหงแพร่ไปชื่อที่ดินเขาม า, มาไม่ไหวขายย่าจะประเทศนั่นขนายดอกบีบอันทั่วหัววัวที่ไดขายเขาหงจ้ากาเข้าซื้อเขาวดราคาลวบาท ที่รับทีนอในพรากพราะมานาพุทโธท่านน้อยค่อยกายท่านร้ายค่อยเบ็นมาเกิดแกเก็บตายมาทาสงสารอีกเลยแต่ขาสู้พนิพา น, นง่ายว่านนะอย่ะนี้ญาตอยากา่ามันเป็นทีใหม่ทีเก่าของโม่เฮาเกิดแก่เก็บตายมันของเก่าของโม่เฮามันของใหมยย่ยังไงเกิดเกิดแก่เก็บตายมาเนี่ยต่างหลานศาส์แสนสาสตร์โกตือติวสัิวติวมายได้ก็ว่าพอจะเก็บจะตา ย, ตายจะกินจะขี่จั่งต่นอนของเก่า แต่ว่าหมันโ ม, น เ, มเทียงนี่เก่านี่จะทุกข์ขึ้นกันนะพอยามนัน่ยันดีในาสตรปารปนธนาจะเกิดเป็นอ น, นัด น, นี่ก็คือยันดีในกรกทุกปารถนาเขาสู้พระนิพพานมันจังนี่บุหลายเรียามาเิดแก้เจ็บต่ายอีกร้อยว่าไนยอมแล้วว่าไงมองสั่นว่ายอมแล้วยอมแล้วลว่าไงให้พ่อนอนเนีน่อนอนเมื่อยนะเมื่อาวานเมื่อก่อนเนี่ย ลงท้องตากโกนจอกวอกมาเดียวเอมิจนาบทายทายออกไปมิจนาบลงทอง้องเมื่อยไายโลกก็ระายแนวโลกมันน่าเดียงมันคนมีกิเลสหลส้เลยหรอก <c oughs> คนมีกิเลสไ ร, ร้เลยหอกลูกเออืม อ่ะูดหนึ่งปรารถนา น, นิพานสมบัติในศาสนาพระกัจจป่าเอ้าพูดหนึ่งเสี่ยวเสียวมึ่อปรารถนายังไหมสันกูปรารถนพาพระนิพานสมบัติว้ายมาสันมึ่นี่ยจะไปปรารถนาเอายอดมนุษย์ละสันกูนี่เอาะเอ้าสันกูจะเอามนุษย์สมบัติไปเป็นลําดับสกอนกับสวรรค์สมบัติไปเป็นลําดับกัระพมสมบัติไปเป็นล้ำลับสกปรก เมื่อปาตนาพระนิพพานเ ท, ทวดาพุ่นแล้ววันมันจะเป็นไปเองตัวเทียวอวันปาถนาของสูงเข้าคือเข้าขึ้นกกไม่เอาปัตนาขึ้นยอดมันเขามาถึมาปัถนาขึ้น ก, กวักก็เฮงนสันเอาปัตนาถึงยอดมันะนมันกะขึ้นไปขึ้นตั ว, วสันยุมาอยมามาหอดศาสนาพุทธเจ้าของเขา้าผู้ปัถนาไปพระนิพพานเ ท, ทวดาไปแล้ว ผูยังปรารถนาบรรลุสมบัติสมบัติพมบสมบัติยังนีท่านจะไปเลย <c oughs> นั่น <c oughs> สู้ผู้ปรารถนาพระญา่ันสมบัติมาได้ผู้นี้ไปกอนได้หอดก่อนันก็มาเคือม้าม้าตัวได้มันขาดีมันก็ะถิ่มาขาฮักว่าทั้งกลมง้อควายคือกัาอตัวได้มันอยู่ปากคลอก พราเขาเปิดขอกมันก็ออกกอนโลอยากทุกข์หายเด่นเล็กหล่าๆอยากคีบหายหายเด่นเล็กบ่อยเด่นเท่าด่นเล็กเล่นน้อยก็คีบหายคือกันแมนบ่พอมีห้าเอาเสียมหมดชาวเอาเสียมมายุ่งหมดชาวหน้าเลี่ยงเข้ามามือห้าปฏิมาหาเนี่ยบ่มีม่แนวเออหาพ่อน้ฮไหนเนาะเอาบ่หายพ่อน้อ เออไม่พ่อนอ่ะญาทาวาดีวาปุราปรเรปเรียนทิสาขลังเอวเอววายตที่นางไปตานางอุปการปฏิจิตตังปฏิจตังตุมางกีเปเมวะสมิจตุทะเบปุเรียนตูสังขปจันโทปนัโซยามณีโชยเรโซยธาตุสปเติโยโชนันตุซัทุโสุปะโยสุโรโกยนะตตุมาเตปอวัาตนตรายโยสาโยโกองว่าพิวาทาสีนิสานิจังวุตาปิกายโนจัตตโรธรรมาวัทันติอาโยวัน ชกังผาลงไปอะ <helpful. Honestly. S 2> ไรทีเมื road, ่อยนะเมื่อยนะนั่งอยู่นี่โรนนะะจะบายรืงผลเออต้องกูจะพักผ่อนเนยเป็นชกเป็นชกนะพุทโธธรรมโมสังโฆนะไปเหตุเพียงจีนสูงเพียงตาเหตุเพียงตาสูงเพียงฝ่าเหตุเพียงฝ่าเขาสซ่พันยาอ้อไปเหตุเพียงจีนสูงเพียงตาเหตนเพีงตาสูงเพียงฝ่าเหตียงฝ่าเขาสู่พนย้า เอพระวนาเลึกถึงเอาสู่พาวนาเพ่ไรหน้าม enfin ันแหงเป็นอธิษฐานไว้ในจิตเนี่ยแลกได้เมืึอใดขอเป็นขคาเป็นธาตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยูตรงเมืองว่ามีประมาณตามตาเถาะของสุขในภาพแล้วลิกได้เมื่อใดก็ดีขอเป็นขคาเป็นธาตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นทีเพิงที่เลึกที่ปฏิปฏิบูชาเขาขอคำมาโทษอยู่ตรงเมืองว่ามีประมาณเพื่อผลทุกน้ำท่าทสงสารโดยดวนอยู่ทรงเมืองว่ามีประมาณก่อข่าเถื่อนเขาก็ร้องอ่น สูภาษาไทยภาษาเ้าอะไรหรอภาษามคอเข้าแปลว่ได้รมันกระซ่างเก้าอ่ะแก่จะขากินเขากับกล้วยมันชอบกล้วยอยู่เสได้กินด้กับย่างบวงจักแกเจะขายกินเขากับก้วยใช่ไหมแท้กล้วยกินด้ยกับบวงจักอันนี้ก็คือการเอาหนังสือไทยเอาว้าวเป็นคาไทยให้นี่เรื่องไดเรื่องใดก็ดีนี่ขอเป็นทาเป็นทาบแล้วพูดพระธาตุประสงค์ในตรงกลางพมีประมาณยาำเอาอะไึกร่องดกับถกเอาอะไรเรื่องใดของเขาอธิษฐานไว้ยังจัดเอาตั้งสัดไว้ยังจั ยเขาเื่อกคขาดกระเาอ่ะแล้เลื่องได้ทันที้เลื่องได้เ่าเลื่องได้กวดีขอเป็นขาเป็นเทาพระพพระธรรมสงฆ์ยกเมืองขอให้พระทธรรมสงฆ์ขี่รถเงียวรถเดียมย่ำชนร้ข้าดะโมกซะแน่กนในสกปรกกายว่าใจให่ทุกมือบ่มีประมาทเพื่อลทุกน้วตาถ้องสายทุกเมือบ่มีประมาณก็ขาดเถือนก็ล้มทันืมยล้าจะไปง้อตายังก็นหรอกไปทางไหนไปรถไปเรือไปน้ำรน้ำเรือกับว่าพระมนาพุโตท่าโมกเขยนํากันคือข้าจับหนังก็ถึอเนื้อถือกระดูกขึ้นกัน คำ you know. วพุโธมันก็ถึอทํางโม่ก็ถึอสังโคขึ้นกันพราเป็นเชื้อเส้นเดียวนี่ไม้สาะเกี่ย bon วความกันพันเข่าคน่าในห้องจับนี่เขาก็ถึอเนื้อถึืหนังถึอกระดูกขึ้นกันนะสิว่าจิถึอนะมันก็มันถึโง่พุทคำว่าพ nice ุทโธก็ถือก็พุทโธว่าก็ทํางโม่ก็ทร่องไม่ถึงละสวธรรมดีสังโคปฏิบัติเพื่อละสวธรรมดีพุทโธก็รู้ละสวธรรมดีทํางโม่ส่งไม่ถึงละสัวธรรมดีสังโคปฏิบัติเพื่อละสวธรรมดีพุทธนี่ยานธรรมเนี่ยานสังคนี่ยานนี่คือกาะ พุทธสวรรค์ธรรมสวรรค์สังฆสวรรค์นี่คือเก่าแล้วพุทธมนุษย์ธรรมมนุษย์สังฆมนุษย์ยี่คือเก่าอันควบเก่าแล้วปารนาถึงพระนิพพานอะไรเอมัดมนุษย์สมัิสวรรค์สมัดกันแล้สวรรค์สมัดก็นแล้วมัดพุมสมัดกันแล้วมัดคอยถึงพระนิพพานมนุษย์สมัิกัอยู่ในตัวสวรรค์สมัดกัอยู่ในตัวพุมสมัดกอยู่ในตัวนิพพานสมัดกันอยู่ในตัวพราะคนท้ามันไปหาเนี่ยผิดไปเลคือเข้าไปกรุงเทพนี่แหละ เ่อคั้นที่ไปปาร์นาขามอายุธยาหรือโคราชหนทางไปหามันกับขามอายูกอ่กับเขาเนาะ <c oughs> โอ้ยคอยผอู้ขาขามโคราชเนี่ยคอยผู้ขาขามออยังหมวกเล็กแนหรือสระบมุลี่แน่หรืออยุธยาแน่กับพระตองอะไรไปเราไปกรุงเทพบาเดียวมันก็บขามเมน่อ่านน ะ, นะาปาร์ตนาไปกรุงเทพคือเขาปาร์นาไปพระเนพรพานเน่ะมันก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพบสมบัตรรมมบิต อยู่เป็น่นทางมั็นแถวไปอั น, นเดียวกันอนะไรเน่เข้าใจแล้วตัวฮันเนี่ยคืเอเขาต้อยเอาเอียงยูงอยอดพุ่นโอ้ยขอให้ขวมงานี่ไปได้ได้ขวมงานี่ไปเด้เขาบด้วาวรได้บัดขวมไปผุดผุดเขาต้อยเ อ, อยียงไปไปเอาขึ้นรถขันใดขึ้กันนะขอยพวกข่าได้ขันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไ้แมนเอาบริด้ปรารถนาสันนี้แล้วแค่เขาจะจัดเข็นรถไปรถนะน่ะนหนทางของทหาร อยากคีบหายากพักาในเลขอยากทุกขหายในเลขได้ๆอยากคีบหายให้ไในเลขบ่อยๆเสียเท่าในเลขเท่าน้อ ย, อยเป็นขีคาได้คือกัน น, <c oughs> <c oughs> นั่น